ของข้างในข้างกฎการข้อหมายถึงถปัจจัยสี่นั่นเองเป็ น, ป น, ป น, ปนสิน่ตัณฑ์ตัณฑ์ร่วงกระโดดทำไมนั่นวัตถุก็ไม่จเจริญเหมือนอย่างสมัยปัจจุบันแต่ จ, จิตใจคนจเจริญสถานที่อยู่วกว้างขวางแต่ก่อนสะดวกสบาย แต่กลับคงค้างมาสมัยปัจจุบันนี้ฐานที่อยู่ที่เที่ยวที่วิเศษขงพระเรารู้สึกว่านับวันครับแท้เข้ามาทุงวันแต่เส้นหน้าพระที่อยู่ถึงหลังพระเรานั้นรู้สึกรู้หลามากแม้แต่ว่าเดานี้ก็ยังรู้หลาหรู่ไม่น้อยเหมือนกันทั้งๆังที่จำนวดปวดขัน เพราะเล็งเห็นเรื่องของพุทธการอยู่แล้วต้องรู้หลาจนได้มันก็มาเองนั่นแหละเรื่องนี่ถ้าว่าแล้วอนุญาตให้เขาสร้างพุติลัฐฐานที่อยู่ของพระตลอดถึงทางในครัวใส่ยโยมบรรดา น, น, นด้วยแล้ววันนี้จะรู้หลาที่สุด กุศิหลังแล้วเป็นแสนแสนก็มีจะมีแน่แน่่ ว, ว่าเป็นหลังเป็นหมื่นหมื่นเลยหลังเป็นแสนแสนก็มีโบสถ์ก็ไม่ทราบจะกี่ล้านถ้าเราจะให้เป็นไปตามความต้องการของศรัทธาทั้งหลายเราพยายามทุกวิธีทางที่จะให้เป็นไปเพื่อความม เกี่ยวกับธรรมะแม่เจ่นนั้นก็ยังรู้สึกว่ารู้หลายปีนเกี่ยวกับธรรมปีนเกี่ยวกับข้างพุทธการอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนั่นท่านดูด้วยความพาสุขทรามนั่นจิตใจ จ, จริงๆถ้าไม่หวังความพาสุขจากสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยต่างๆมากไปยิ่งกว่าความพออย่างชีวิตให้เกินไป แต่ความมุ่งมั่นในทานั้นล้นหัวใจนี่มันกลับโก้าตรงนี้กับสมัยปัจจุบันความหวังทําล้นหัวใจมีที่ไห น, นแต่ความหวังเรื่องปัจจัยทั้งสี่นี่ล้นหัวใจอาจมีได้ เราเพียงพูดเพียงว่าอาจียกว่าทาทาถําเมาไว้กดกดเอาไว้ถ่าเทียนไปอยู่ในที่ถิ่นนมทนมากเท่าไหร่ก็ทัดเทียมกันกับนินตนหรือเหนือกว่าโลกเขาจะอีก ถ้าดูปัจจัยธายานที่เป็นมานั่นก็เหมือนกันเด จ, จะหาที่เต็ดไม่ได้มันเต็มห้องทุติแต่ทำในใจนั้นแห้งผากนี่แหละที่มันน่าสะดุดต้องเลยปัจจนั้นว่าเราที่เป็นอยู่นี้ท่านต่างหลายที่ยังไม่เคยได้ ทมดำเนินมาก่อนยังไม่เคยเห็นเลยสมัยที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาดำเนินซึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นเรามาเห็นอย่างมัป่าวันตานี้น่าจะว่าขัดข้องบ้างในบางอย่างแต่สําหรับความรู้สึกของผมเนี่ยมันเหลือปลื้มเพราะทุกอย่า ง, งปลอปลื้มาก นี่ก็น่องจากศรัทธาญาติยโยมเขาโดยเราไม่ได้บงังคับหาัมาเองเป็นเองเอกรู้หลาเอาควิตกวิจารของการการปฏิบัติธรรมดังที่เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วซ้าๆสักๆพอมเติมไปด้วย ความเขียงทั้งนั้นวัตถุไม่จเจริญแต่ทมเจริญอยู่ก็พอได้อาศัยบางแดดบางฝนสถาน ท, ที่ทางจงกลมนั่งเปี้ยมเป็นเป็นโตกเป็นเหวไปเพราะ จนกลมมากอาหารปัจจัยพอเป็นไปเท่า้นพอบ้างไม่พอบ้างแต่ทั้งอาหารของใจอยู่ทเต็มเปีเป่ยมอยู่เสมอสติกับปัญญารักษาจิตใจรอบด้านไม่ว่าจะอยู่นอ่นอียิบทได เพระาะฉะนั้นจิตของผู้มุ่งอัดมุ่งทำเป็นไม่ได้คิดไปเกี่ยวกับเรื่องมัทธุภุทเขียไเรื่อเวลามากดี่กว่าการระมัดระวังภาณในจิตใจสมกับว่ารักษาตนหรือบำรุงจิตใจของตงนให้มีความเจริมก้ า, นาวานาเพื่อผลผ่านเป็นลำดับขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดมีเป็ น, น, ส, ส, นสิ่งที่น่าพิจารณาอยู่มาก สมบัติเงินทองในสวัดหนึ่ ง, งมีจำนวนมากในข้างพุทธการไม่มีแต่สมยัยปุวันนี้เป็นกี่สิบล้านหรือร้อยล้านแล้วก็ไม่สัเห็นมันก็ผิดขนหนังนี่จะว่าไงที่การปนาสงที่เทนีสงอาจเจ้าตึกเจ้าห้อง ที่ดินที่รอนเขาเช่าทำไร่ทำนาทำวัวทำสวนที่กรณีสงก็มีทงที่ท่าที่ธรณีสงดังข้างพุทธกาลที่กนณปนาอะไรหากไม่ออกหน้าออกตาจนเหยียบย่ำทำลายสาวนาธรรมหรือเพศของพระหัวใจของพระและจนแหลกละเอียดไปอย่างทุกวันนี้ เป็นท้องปัจจัยเหล่านี้แต่เป็นไปตามหลักอุธการจริงๆแล้วมีไว้ทำใหม่นะ่ะก็ะมีจะทำเท่านั้นจะจังสมทมไม่ได้มาสังสมสิ่งเหล่านี้มีมากเพิยงไรจะทำให้เป็นประโยชน์แก่โลกอะไรก็ ว, ว่างอไรถูกเัร่องรโรงเรียนสร้างสถานที่ มนุนคนให้รับความสะดวกสบายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เปสาทารณประโยชน์โรงพยาบาลโรงร่ำโรงเรียนสร้างมันไปหมดกระหมดมถ้าในมีผู้ให้กินอยู่นี่มีผู้ให้คบให้ฉันนี่ยแต่สละตายจริงๆนล้มันก็ไม่ตายหินเหลือเฟือกลัวจะตายนั่นเนี่ยวิริยมันอ้วน แต่ทำมันทำมีตัวก็ก็ผอมพผอมมากทีเดียวแต่ไม่ทราบว่าจะมีทำให้พร้อมด้วยหนีก็ไม่ทรานีขนาดคิดให้คิดไว้ทุกๆลูกทุกๆนามทุกๆองค์ที่มาอยู่ในสถานทีน่เราไม่ได้พูดเพื่อการกระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใดแต่พูดตามหลักความจริงของศาสนาว่าผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาเฉพาะอย่างหนึ่งนักบวชคือพระเหล่านี้ปฏิบัติอย่างไร ถึงตรงตามศาสตร์ธรรมวิศาสยบุตรสาสกยบุตรเป็นผู้ชำนัก ส, สารกิเลตความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้มาสั่งสมกิเลสสั่งสมวัตถุต่างๆจงกระทํา ง, าางมีสารา พ, พัดระพฤตวิทยุโทรทัศน์เทวทัศลายโคงรายคามเป็นไปหมดมันก็เหมือนกับโลกเขาดีดดดดดดอยู่ดีกินดีอืม นอนก็แล้วแต่อยจะตื่นเมื่อไรยิ่งกว่าหมูมถือมาเมื่อไรก็ได้กินเพราะมีผู้ออกมาให้กินเลยลืมเนื้อลืมตัวไปเสียแล้วดินเหนียวมาติดบนหัวแล้วก็ว่าตัวมีงอนพ<ม>้ากาสวัสดิ์พาดมาพาดเข้าในตัวแล้วก็เป็นพระ<ม>ยศใหญ่ไปแล้วยศ น, นั้นแบบะคือตัวที่เร ถ้าจริงไม่มียศยศอยู่ในใจยศศีลยศธรรมยศสมาธิยศปัญญายศบิมุินั่นเป็นเรื่องของค่าแท้คิดให้รอบ้อบทุกๆอ้เราพูดเพื่อเป็นการเตือนใจสมหพู้ที่มาอยู่กับเราให้ได้รู้วิธีปฏิบัติอย่าให้เป็นไปังชีวาน โดยเหตุ น, นี้วัดเราจรึงไม่ให้มีอย่างที่ว่ า, ามีก็มีวัดําหรับท่านหนึ่งมีความจำเป็นนั่นนี่เล็กเล็กน้อยน้อนไปเท่านั้นไม่มากกว่านั้นถ้ า, ามันจำเป็นก็ยอมให้หมดไม่ได้สงวนเอาไว้ถ้ามีความจำเป็นมีความจาเป็นแต่ แต่ข้งหัวนว่ายอย่างนี้เราไม่ให้มีในหัวใจนอกจากไม่มีความจําเป็นก็ทิ้งไม่งั้นความจำเป็นอย่างอื่นมีที่ไหนช่วยไปเรื่อยๆไม่ลดละความเมตตาสงสารพระมันมีความเมตตาพระเสียสละไม่ได้ใครจะเสียสละได้ในโลกนี้พระหาความเมตตาไม่ได้พระใจตืดตืดจะดาใครจะเป็นผู้มีใจสว่างกรจากเชื่อนใจกว้างใจขวางหมานอกเหนือไปจากพระแล้ว เราถึงทําเป็ น, ปนสติกําลังความสามารถของเราเท่าที่จะสงเคราะห์โลกได้แค่ไหนเราทําอย่างนั้นนี่เลยอะไรได้มาเนี่ยไม่เคยคิดมาเพื่อข้อตัวแม้แต่สตางค์หนึ่งถ้าเป็นเงินก็สตางค์หนึ่งเราไม่เคยคิดเข้ามาในหัวใจเลยนอกใบคิดผลประโยชน์สําหรับผู้จําเป็นที่ควรจะรับการส่งข้อเท่าไหร่มันเปิดจิตตลอดเวลาจิตใจของนักปฏิบัติ ยามีสิ่งเหล่านี้ภายในจิตใจจะเป็นสิ่งที่หยุดคว้างรวงใจหลอกลอ่ลอเราให้ตกหุมตกบ่ อ, ก ต, กบอกตกนรกทั้งเป็นจหน้าน่ายามแก้ไขโมกฏิบัติอย่า น, นอนใจการพูดกันจาอยากให้มีความเพ้ดเพลินความคึกขนองอันเป็นการลืมเนื้อลืมตัวความประมาทขัดกับเพศของพระ เพศของผู้ปฏิบัติอย่างนี้น้อมัตระวังเหมอคําพูดคําจาที่แสดงออกต่อหมู่เพื่อนในขนะที่มาเกี่ยวข้องกันเด็ดทําการทํางานก็ดีสถานน้าน้อนน้ําชาก็ดีต่างอง์ต่างน้อมัตระวังรักษาใจของตัวเองอันนี้เพียงมาเยียวยาธาตุขันเป็นการเป็เวลาเท่านั้นแต่เรื่องกิเลสกัดทำนั้น ต้องหมุนกันอยู่เสมอนีนักศึาประสบพบเห็นสมบัติอันล้นค่านี่เดียวว่ามาหาสมบัติภายในใจสิ่งสำคัญ ก, ก็คือเรื่องสังขารเรื่องสัญญาเราเป็นนักภาวนาต้องรู้เรื่องกลมายาของทั้งสองอย่างนี้ที่เด่นกว่าเพื่อน ทางตากับรูปก็มีบ้างเป็นบางการบางเวลาหูกับเสียงก็มีบ้างบางการบางเวลาไม่เสมอไปเหมือนสัญญากับสังขารที่ชิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่เด็ดศาสนาอาสวะมาผูกพันตนเองอันนี้แสดงอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่เราเดินจั ง, จงตรงมันก็วาดภาพยิ่งเลวขึ้นมาจนได้สัญญามันหมายเรื่องอดีตที่เคยเห็นเคยได้ยินอะไร แทนต้าหงาสมุกลิ้นกายเดี่ยวก็ย่อมรูปเสียงถึงนดวดเครื่องสัมผัสมากราเป็นธรรมารมณ์อยู่ภายในใจิตใจด้วยอํานาจของสัญญากับสังขารเป็นตัวการต้องขัดมาปรุงมาแต่งทั้งอยู่ในทางจงกรมก็ก็สร้างกิเลสเพราะขันหลอกสร้างอยู่ทั้งวันทั้งคืนพอตื่นขึ้นมาภาพของกิเลส ข, ขึ้นแล้วแต่เราไม่ทราบว่าเป็นภาพของกิเลส หมายเรื่องอะไรสัญญากอดีสังขารคิดตุงเรื่องอะารนี่ยทันทุกขเวทนาความอัดอั้นตันใจหรือความฟุง้งซ่านของใจก็ต้องเป็นขึ้นมาเึงนได้เพราะสิ่งทั้งสองขันทั้งสองขันนี้มันไปกว้านเอายาพิษเข้ามาเ้าหล่นแล้วจิตใจจะไม้กำเริบได้ทังไรเพราะถูกยาพิษที่ออกมาจากสัญญาที่ด้รักมาจากสัญญาสังขาร ตรงแต่งหลอกรวมตงเองอีู่เสมอสังเกต ด, ดูก็รู้นักปฏิบัติไม่รู้ได้ยังไงต้องรู้ได้อย่างชัดๆตัวสัญญาตัวตั้งขานนี่สำคัญมากทีเดียวมันปเป็นกรรมมาลุอคขุ่นคิดอยู่นั่นตลอดเวลาเอาให้กินให้จังผู้ปฏิบัติผมอยากเห็นอยากทราบ อยากได้ยินผลแห่งการปฏิบัติของหมูนะ่คณะที่มาอยู่ด้วยและได้อุดมสั่งสอนเป็มที่กาลังความสามารถไม่เคยมีลี้ลับในธรรมะบุตรใดแหนใดทั้งสูงต่างยาดละเอียดจนสุดความสามารถทั้งตัวเองเปิดออกทุกแง่ทุกมุมทั้งภาคปริบัติและผลที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้างไม่เคยปิดบังไว้เลย ธรรมะที่กล่าวที่อธิบายให้หมู่เพือนทั้งหมดนี้มันเป็นโมฆะทำไปหมดแล้วเอยหมู่เพื่อนจึงไม่สามารถจะรับไปปฏิบัติพะให้ปรากฏผลขึ้นมาดังที่สแสดงบ้างนี่มันเป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันจิตใจของนักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งอย่าอ่อนแอบวบเปียบถ้าใช้ไม่ได้ ขัดกับหลักธรรมแย่งกับหลักธรรมเป็นฆ่าสิกต่อธรรมความอ่อนแอในสิ่งที่ไม่ควรอ่อนแออันไหนก็ตามจะคําว่าความอ่อนแอมันไม่ดีทางนั้นแต่มันจะเป็นไปในทางปิญธ ร, รมะเป็นฆ่าสิกธมะเข้มแข็งกว่าทางนั้นในขณะที่อ่อนแอต่อธรรมธรรมต้องเข้มแข็งกับสิ่งที่จะเป็นฆ่าสิกต่อธรรมันได้ สาคัญการปฏิบัติทางด้านจิตใจใมีความจริงจังต่องานของตนเสมอเรื่องทานว่าสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเราอย่ารอถัดเปลี่ยนเวล่ไมวละขนาดไหนที่สมควรที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาฟาดลงไป ปัญญาก็เพื่อจะแจก้กิเลสอยู่ในหัวใจของเรานี้สมาธิก็เพื่อจะกดหัวกิเลสให้มันหมกลงไปภายในจิตใจของเรานี้ไม่ใช่เรื่องอื่นใดเรื่องที่จะปราบกิเลสทั้งนั้นปัญญาเป็นสําคัญมากเราสังเกตดูเวลาเราตั้งใจพิจารณาสิ่งใดถ้ามันเป็นสัญญาลมไปมากๆ ม, ม, มันทะเสลสะอะไออกนอกลกูนอกทางไปเสียให้รีบเข้ามาทางสมาธิกด หัวขี้เลื่องความพุ่งสร้างนั้นด้วยสมถะอารมณ์แห่งสมถะคือความสงบคืออะไรนี่เดี๋ยวเคยอธิบายแล้วทำรรบทใดเป็นที่ถูกกระดิจิตใจของเราแล้วนำทำบทนั้นมาเป็นสมถะเป็นเครื่องอยู่ของใจบังคับจริงจังให้โยกับทำบทนั้นจริงๆ เย่างกำหนดลมหายใจก็มีแต่ลมหายใจโลกนี้เหมือนไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใจมันกระเพื่อมออกไปใจมันผลักมันดันออกไปคิดเรื่องโลกเรื่องภาษาเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะกิเลสเป็นตัวสําคัญที่ถักสออกมาให้สังขัรต้องพุกต้องปุงอย่างนั้นต้องคิดอย่างนี้สัญญาต้องหมายอย่างนั้นหมายนี้มันมีจนแต่เรื่องของกิเลสซึ่งหาความสงบไม่ได้ยิ่งกว่าหิี เนี่ยกิเลสเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจิตใจจึงต้องเป็นเหมือนลิงหมอพิจารณาทางด้านปัญญ า, าดึงทาบดันขนจะเยดและดูอะไรไม่ได้เหตุเด็ผลดูทางอสุภะอสุพังปฏิคูณโสโครกกมไม่ได้ผลพิจารณาเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอันตา ก, ก็ไม่ได้ผลทะเลาถลายไปเสียนแสดงว่าจิตนี้หิ้หวโหยต่อ อารมณ์อยู่มากให้ระงับจิตด้วยสมาธาิคือด้วยสมาธิบังคับลงเอาจริงเอาจังเมื่อจิตมีความสงบแล้วพิจารณาปัญญาอีกบังคับไปเหมือนกันแต่พิจารณาได้คอยได้ความได้เหตุได้ผลแสดงว่าปัญญาทำหน้าที่เพราะมีความอิ่นตัวพอสมควรจากความสงบคือสมาธินั้นสังเกตตัวเองการพิจารณาการภาวนาไม่สังเกตไม่ได้นะ ต้องสังเกตเราจะคอยเอาแต่อุออบาจากอุบาจารย์อย่างเดียวเราไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่เราเลยก็หาความฉลาดไม่ได้ขณะใดที่ควรจะใช้ปัญญาเป็นที่เหมาะสมกับอัธยรศสัยของเราหรือขณะนั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วพิจารณาจะพิจารณาแบบ อันนีจังทุกขังนัตตาก่อตามพิจนาสุภะอยู่พังการร่มงายตาจากการพักผักอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้เกิดความสรุลสังเรวจซึ่งเป็นความจริงทั้งนั้นนอกจากกิิปีณปีนเดียวกับธรรมไม่ยอมรับความจริงร่างกายของเรานี้มันมีอะไรเกิดมากี่ปีกี่เดือนมันเกิดมาจากไหนนี่คนหะมันเห็นเหตุเห็นผลเลที่ว่าว่าเป็นเป็นเราเป็นท่านเป็นจัตเป็นบุคคล ไอ้ที่จะมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นสัตว์เุ็คนนี้รูปร่างนี้เอามาจากไหนค้นลงถึงธรรมชาติเดิมของมันคือธรราตุเดิมของมันส่วนใหญ่ก็มีธรรมาตุดิ่งผมพ้นเรียบฟันหนังเนื้อเอก็กระดูกเป็นต้นมองเห็นด้วยตาเนื้อของเราชัดๆ น, นี่ก็เป็นธรราตุดิ่ น้ำมีน้ำลายเป็นต้นก็เป็นธาตุน้ำธาตุลมมีลมหายใจเป็นต้นมีเรียกธาตุลมธาตุไฟมีไฟความร้อนที่ย่อยอาหารไปธาตุที่ย่อยอาหารเป็นต้นนี่แล้วรวมส่วนใหญ่ของธาตุก็มีอยู่สี่ใจเข้ามาครองตัวอยู่นั้นมาจับจองเอาแล้วก็ปักหลัก ป, กปักเขตปักแดนเอา ตั้งสมมุติขึ้นมาเศษสรรขึ้นมาว่านี่เป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นแข่งเป็นค้าเป็นหูเป็นตาเป็นอวัยวะของเรามันตึงขึ้นมาอย่างนี้โดยไม่มีใครบอกแม้แต่สัตว์ก็เป็นเองเพราะเป็นหลักธรรมชาติกิเลสเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจโดยไม่ต้องมีโรงเรียโรงเรียนสอนกันกิเลสมันก็เป็นกิเลสอยู่โดยตรงนั่นแหละท่านี้ธาตุทั้งสี่ที่ละ รวมตัวกันอยู่นี้มีจิตเข้าครองตัวและจับจองเอาไว้ทุกเหน่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาวัยวะที่มีอยู่ในร่างอันนี้นั้นปรากฏตัวมากี่ปีตั้งแต่วันเกิดจนมาะทั้งถึงวันนี้ยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเราหลงกลรวงของกิเลสว่าเราเป็นเราเราเป็นคน เป็นสัตว์เป็นเราเป็นท่านมาตั้งแต่นูวนจนกระทั่งถึงบัดนี้ทั้งๆ ท, ที่นี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นตามหลักธรรมชาติเดิมของเขาคือความกิงแท้เรามาเจ็ดแสนบรรยอถูกลวงจากกิเลสมานานเท่าไหร่อ้าวสมมุติอันนี้สลายตัวลงไปแล้วมันไปอยู่ที่ไหนเราจะเรียก ว, ว่าสัตว์ว่าบุคคลได้อีกไหมส่วนดินก็ลงมาเป็นดินส่วนน้ำก็ลงมาเป็นน้ำส่วนลมก็เป็นลมไฟก็ไปเป็นไฟ ตามธาตุเดิมมาขอแล้วเราจะเรียกไปว่าเป็นสัตเป็นบุคคลได้ไหมลมยินเหล่านี้เป็นสัตวบุคคลได้ไมเรียกไม่ได้นะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้นี่เวลาเข้ามาอยู่นี้ทําไมมาเรียกนะมันก็เป็นธาตุเดิมนั้นแท้ๆนะพิจารณาให้ถึงความจริงอย่างนี้เรียกว่าปัญญามีใจเท่านั้นพลายเคลื่อนไหวไปมาได้คือธาตุแท้ มันก็เหมือนก้อนดินก้อนอนั่นแหละที่นี่แล้วจากอันนี้ลงไปก็เป็นอยู่ดินตามเด็แต่เรามาว่าเป็นเราเป็นของเราตั้งแต่วันเกิดมาจนทั้งป่านนี้ทุกทิ่เรืโกหกมาจนปน่านนี้ยังจะกโกหลโกหกไปอีกตลอดจนมาทั้งวันตากในอัตภาพนี้นะในก้อนธาตุก้อนอนีน้ถ้าเราเรียนไม่ไม่จบ สติปัญญาไม่ทันกลมายาของกิเลสแล้วจะต้องแบกคําว่าสัตว์และบุคคลว่าเราว่าเขาไปจนกระทั่งวันตายแม้อันนี้สลายตัวลงไปตามความผิวของเขาแต่อุปท า, านความยึดมั่นก็ไม่สลายจะฝังอยู่ภายในจิตเขาไปเข้าสู่ตีนที่วิญญาณในอัตภาพใดร่างใดก็จะไปอุปท า, านยึดมั่นถือมั่นแบกหามุคคนั้นว่าเป็นเราอีกหละไม่มีทีส่สุด นี่การพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างในให้เห็นตามความจริงซ้ำๆ ซ, ซักซเอาจนกระทั่งเข้าใจซึ้งถึงจิตแล้วไม่ต้องบอกเรื่องอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นมันปล่อยเองไม่มีใครบังคับจะปล่อยได้นอกจากปัญญาเป็นผู้แทงทะลุแล้วปล่อยได้ปล่อยเองปล่อยเองทั้งนั้นเข้าใจตรงไหนปล่อยปล่อยท่านจึงสจอให้พิจารณาเพื่อให้เข้าใจ เข้าใจแล้วจะจะได้ปล่อยเพราะสิ่งนี้นนมันปลอมปลอมจากความจริงระมันปีนเกลียวกับความจริงอยู่กับความปลองทั้งปลอมทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเราไม่ทราบจึงต้องพิจารณาถ้าเราพูดถึงเรื่องอ น, นิจจาเรื่องปฏิกูลโศค้าในเดยที่มันก็มีแต่ขี้เต็มตัว ขี่ผมขี่ขนขี่เล็บขี่ฟันะขี่ใครผ่านอกเต็มไปเลยขี่เข้าไปภายในอีกก็ยิ่งเต็มไปหมดมังมีอะไรมัเป็นของสวยของงามขอหนังบางๆห่ออย่างนั้นบางๆเท่านั้นสติปัญญาแทงมทัทลุเป็นไปได้หรือถ้าเราใช้สติปัญญาแทงมจริงๆสติปัญญามีไว้เพื่ออะไร ถ้ามีไว้เพื่อแทงหาความจริงของสิ่งทั้งหลายมีขันห้านี้เป็นต้นเท่า น, นั้นปัญญาต้งแจงกินไม่ได้สำหรับใช้ผุดค้นทิ่มแทงลงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายที่เจ้าจอมปลอมมันจองจับจองไว้มันเห็นถ้าเกลี่ยนแจงแจ ง, แจงแล้วมันจะปล่อยตัวเองปล่อยมากปล่อยน้อยอุปทานซึ่งเป็นของหนัก รวมกันแล้วยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกนี่เมื่อพิจารณาเห็นชัดเจนแล้วก็ปล่อยลงไปโดยลำดับดับจิตก็ดีดขึ้นดีดขึ้นจนกระทั่งดีดขึ้นเป็นเต็มอิสระของตัวเองนั่นเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์เอาให้จริงให้จังมีหลักมีเกณฑ์การปฏิบัติอยากทั้งนั้นแหละเราอยากไปคา ด, าดนู่นขาดนี่วันนี้นู่นจะดีที่นี่จะดียิ่งกว่าใน จะจ่อลงไปในวงสัจธรรมที่อธิบายมาแล้วสักครรู่นี้นี่เป็นหลักใหญ่อยู่ที่ไหนต้องเอาหลักนี้เป็นหลักข้าหมอภูิเป็นสนามรบกิเลสอยู่ตรงนี้แหละไม่อยู่ที่อื่นอให้เห็นชัดเจนพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่มีปัญหาอะไรเลยสวาคาตัวพราตาธรรมูตรักไว้ชอบทุกสิ่งแล้วสอนไว้ชอบทุกสิ่งแล้ว นียานนโกเป็นธรรม ท, ที่นำผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกประดูลลำดับจนกระทั่งพ้นจากทุกโดยสิ่นเชิงได้โดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยเราจะสงสัยที่ไหนอีกในกิเลสไม่มีคำประกาศสอนมันทำไมมันถึงจะเป็นครูของเราพระพุทธเจ้าทรงอุป์สอนจรงแทบลงแทบตายทำไม ทำพระเจ้ามันมีฤทธิ์มีเดชเหนือกิเลสจะได้มันเป็นอย่างไงในวงปฏิบัติของเราเนี่ควรจะได้ทําเป็นเครื่องเหนือกิเลสประหัรปหารกิเลสให้หลุดลอยไปจากใจกิเลสมันไม่มครูมีอาจารย์เรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้รวมสั่งสอนมาด้วยดีแล้วทําไมต่อสู้กับกิเลสที่ไม่มีลงร่าหนึ่งเดือนก็สู้เขาไม่ได้ แค่เขาอย่างหลุดลุ่ยก็นอกเลยหนี่ใช่ไหมไล่บางตอนก็ต้องฟัดต้องเลี่ยงกันบ้างเป็นธรรมดาเพราะกิเลสมันเคยเลืองอำนาจมานานแล้วเราจะให้มันอยู่ใต้ อ, อำนาจมันก็ต้อง เอากันเต็มเหนี่ยวนั่นเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเดียวถึงค่าวจะสละักอสลักลงไปสละเพื่อสาระคุณไม่เป็นไรอันเิ็นเหตุเห็นผลอะไรจิตใจมันสว่างกระจา่างแจ้งขึ้นในจิตใจใอ๋ออ๋ออย่างนี้เหรออย่างนี้เหล อ, อ, น, หลอนั่นคือรู้แท้อย่างแท้เป็นลําดับลําดับไปถ้าประจากใจแล้วมันต้องอุทานจนได้เออขนาดนี้เหรือรู้แล้เหรือที่นี่เรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะ เรื่องทุกข์ในขันทุกข์ในจิตดูแลเหลือนี่ว่างยสมไทยตัวยึดตัวสำคัญมันหมายคืออะไรมันก็นรู้ในขณะนั้นไม่พ้นปัญญาไปได้เอาให้กินให้จับครวูวาอาจารย์ที่ถึงนี้อาจจะทำทุกวันนี้มีน้อยมากเลยนะจะไม่มี ถ้าปฏิบัติมีเก็มบ้านเกานเมือนแต่จะหาสาระสำคัญจริงๆนำมาอวดด้วนผูงด้วยกันตามความจริงที่รู้เห็นมานั้นมีจานวนน้อยมากนั่นนี่ก็เพราะเห็นไรก็เพราะวัตถุเอียบย่ำทำาลายนั่นเองไม่ใช่อะไรนะวัตถุตัวสำคัญ เหยียบย่ำทำลายมากถ้าถูกเจริญเท่าไรจิตใจยิ่งเสื่อมลงมากเสื่อมลงมากไม่ว่าทางโลกทางธรรมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้กระดาษเขาเสยขึ้นมาเขาเป่าขึ้นมาสมมติขึ้นมาเป็นเงินก็เผาหัวใจพระเราจนได้ทั้งๆที่ก็รู้อยู่แล้วว่ากระดาษเอาไปมวนบุหรี่สูบก็ะเม้นเขียวจะตายแนั้นจะหลง ของปลอมนั่นจับเร็วจิตเพอจิตมันปลอมอยู่แล้วเมื่อของปลอมมาผ่านมันก็ติดกันได้ไง่ายๆเพราะนังไม่มีความจริงเมื่อปฏิบัติจิตให้ถึงความจริงเป็นขั้นๆลงไปแล้วของจริงอันไดที่ผ่านเข้ามาจะยึดทันทีทันทีส่วนของปลอมฉลัดพับพับ พ, บ พ, บพบออกนักจิตดวงเดียวนี่แหละหักต่างกันเบื้องต้นหนักบ้าง นัก็ทนนี่แบกทุกข์เรายัง แ, แบกมาได้ตั้งกับตั้งกันตั้งแต่อัตภาพนี้ก่อนทุกข์ขนาดไหนจิตมันก่อเรื่องก่าวอยู่ตลอดเวลาจะไม่ทุกข์ได้หรือมนุษย์เราเพราะจิตเป็นผู้ก่อเรื่องในวงขันนี่แหละมันเป็นเครื่องมือของกิเลสได้อย่างดีๆจึงได้แสดงออกมาอยู่ตลอดเวลาเราแสดงออกมาม า, มากน้อยกอ็เป็นการถิดทุกข์ขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วใครจะไม่แบกกองทุกข์ เรายังไม่เห็นโทษในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเราจะไปหาคุณนักธรรมที่ไหนมีประเทศเป็เมแม้เต็มหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนฟงฟังอยากให้เขาเข้าใจมาคุยปฏิบัติ เร า, าเรามาอยากเรามันอยากเห็นมีแต่ลมแต่แล้งหาตัวกินไม่มีเดินจงกรมก็เดินแบบลมลมแล้งๆนั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ความงกงงอับประงกงงันปากฏอัดทําขึ้นมาเพราะความเพียรในท่าต่างๆไม่ปรากฏนี่แล้วทำใหม่วันนี้ก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปก็เอานิสัยเก่ามาใช้มันก็เป็นเรื่องนิสัยเก่าอันเก่านะั่นแหละ ไม่ได้ของใหม่อะไรขึ้นมาแปลกจิตแป ล, ป ล, ป ล, แลกใจกเลยวาไปยิ่งทำให้ท้อถอยลงทุกวันทุกวันต่อไปพาถาอาคมสิปุวาจันแนะนำสับสอนพ้นใส่หัวใจทุกวันทุกวันก็เลยกลายเป็นน้ำท่าไปหไม่ได้เป็นน้ำยาเยเพราะกิเลสมันชนะกิเลสมันครอบหัวใจเียน้ำอัด น, น้ำทำเข้าไม่ถึง เหมือนอย่างไฟมนุนแรงนะ้ำไม่พอสู้ไม่ได้เหลือแต่เท่าแต่ฐานเท่านั้ น, นเคยพูดแล้วเรื่องทุกข์ที่เกิดเพราะอำนาจของยิ่เหล็กนี้ทุกข์มากทุกอย่างสางังจมทุกทุกเพศทุกไปทุกชาติทัานวันนะไม่เลือกหนะ้าก็คือยิ่เหล็ก ทำให้คนทุกข์ทำให้สัตว์ทุกข์อยู่บนหัวใจของคนทุกประเภทในเลือสัตว์ชั้นวันะใดมันอยู่บนหัวใจกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลามันได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความเพราะกิเลสทําผิดนี่เราบวชก็ามาเพื่อจะแก้ผิดแก้ภัยอันนี้เบิกความขายันหมั่นเพียรทําไมเราจะไม่สามารถ แก่กระเด็มากน้อยเราก็เห็นคุณค่าในความเปลี่ยนของเราจิตเคยว้าวุ่นขุ่ ม, มัวจจอยู่ตลอดเวลาแต่ได้มาเกิดความสงบขึ้นมาเพราะการภาวนานน่เราก็เห็นคุณค่าควรจะคขยอบขึ้นไปอีกโดยลแบบําดับสติปัญญาท่านนามาใชา้มันก็เกิดคิดให้เกิดก็เกิด สอบคิดอ่านใจตองเรื่องนั้นเรื่องนี้ในถ่านในขันแยกเดี๋ยวก็แยบขึ้นมาให้เป็นคติเกือนใจเดี๋ยวแยบขึ้นมาเดี๋ยวยับขึ้นมาถ้าได้คติอยู่เรื่อยๆนั่นเรียกว่าปัญญาเพราะการค้นคว้าหากไปเจอจนได้บางต้นก็ต้องใช้ยอย่างนั้นซะก่อนปัญญาเมื่อปัญญาก็เห็นคุณค่าของตัวเองเห็นผลของตัวที่คิดคน้น ปัญญาก็มีความขยันหมั่นเพียรไปจนกลายเป็นปัญญาแต่มุมาตไปได้กิเลสเบาไปเบาไ ป, าไปความเพียรก็หนักขึ้นเรื่อยหนักขึนเรืจนกระทั่งในตัวของเรามีตั้งแต่ความเพียรความจะเอาความจะสู้ท่าเดียวความขี้เกียดคือดค้านหายหน้าไปหมดเพราะเป็นเรื่องของกิเลสเบาลงเท่าไหรปัญญาสติปัญญาปัทฐาความเพียรยิ่งหนักหน้ากิเลสเบาลงเท่าไหรธรรมก็ยิ่งหนัก ขอนไปทุกทีทุกทีเอาจนปราบได้อยู่ไม่มีเลยเหลือนั่นที่นี่ความทุกข์ที่เคยกกดท่วงในใจเพราะพิษของกิเลสมันสร้างขึ้นมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเรียงไม่มีเหลือจิตจึงว่างไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะวางหมดแล้วโดวยปัญญาปัญญาที่เจนนาย รู้แจ้งจริงแล้ววางหมดปลอยหมดแล้วก็วางมันจะจิตว่างจากทิ่ฐิตันหะอัจฉริยะซึ่งเคยเป็นพิษเป็นพายมาแต่ก่อนความว่างเลยเป็นธรรมทั้งดวงแตงนี้จะเรื่องของถันตนั้นน่ะมันดิน่งอยู่ตามสภาพของมันเหมือนหางจิงเหลนขาดลุกดิบุกดิบุกดกิพอถึงการของมันที่จะสลายตัว ไ ม, no ไม่มีความหมายอะไรตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายเส้นรูปมันก็ไม่ทร า, าคคบความหมายว่าตัวเป็นรูปเวทนาที่มีอยู่ในขันนี้ก็ไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณก็เหมือนกันมันก็คิดปรุงไปอย่างนั้นปรุงไปพร้อมดับไปพร้อมปรุงไปขนาดไหนก็ดับปัญญามันวาดไปทับมันก็ดับไปพร้อมวิญญาณความรักภาพที่สิ่งต่างๆก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมเพราะไม่มีเจ้าตัวการ ผลักดันดูภายในม่าต่อการนั้นคือกิเลสอวิชชานั่นเองมันหมกขันก็เลยกลายมาเป็นเครื่องมือของถังแต่ก่อนเป็นเครื่องมือของกิเลสแต่มันใช้ซะจนแหลกพอทาว่างเปล่าได้เกิดขึ้นแล้วภายในใจก็อาศัยขันนั่นแหละทาประโยชน์ให้โลก ต่อไปเจี่ยงกบพูดแต่เจ้าประกาศประกาศพระศาสนาและสาวกสั่งสอนทำแจกพุทธบริษัทสัตว์โลกทั่วไปก็อาศัยทาสอาศัยขันนี่เมืออ่อยังคลองตัวอยู่กลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปแล้วขันเหล่านี้พมื่อยีเลศตายไปขันก็เป็นเครื่องมือของธรรมเมื่อขันหมด ความสามารถที่จะสืบต่อกันไปหน้าขันก็สลายตัวลงไปตามสภาพในจังทุกของหน้าตาซึ่งเป็นความสมมุติก็ต้องเป็นไปตามสมมุติขันก็เป็นสมมุติในจังทุกของหน้าตาก็เป็นสมมุติลงไปตามสภาพในความเป<ม>็นของเขา <st> พูดทบียนบริสุทธิ์แล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยนั่นแหละหายห่วงอิพานังปรามังสุก ข, ขังหาที่ไหนอมืม กิเลสว่าจากหัวใจแล้วก็อยู่แล้วตะหานิพพานที่ไหนอีกเราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะกิเลสทั้งหางเมื่อกิเลสกองทุกข์มันดับไปแล้วจะไปหานิพพานที่ไหนหลงแล้วหาถ้ารู้แล้วไม่หานิพพานังตระมังสุขขังเป็นอ น, นันตการตลอดกาลไปเลย นี่พานเทียมว่าเนี่ยก็จิตถึงความอิ่มตัวเต็มที่แล้วต่อยวางโดยสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วนั้นใครจะว่าอะไรต่อไปก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะจิตตรงนั้นเป็นจิตที่หมดปัญหาโดยสิ่งเชิงแล้วจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาอีกล่ะจะเป็นจะอยู่จะตายก็หมดปัญหาอยู่แล้วโดยธรรมชาติจะมี ไม่ได้อยู่ในขายย่ายห่งปัญหาเหมือนโลก ป, ปัญหาโลกแตบนี้อเอาเท่านั้นอัรรัญาอธิบายเพือ่อนฟังสองพักสามพัก